ท่านระวังท่างไหลวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคม2534สำหรับเสียงบรราท่านไหลต้องทราบว่าวันนี้ก็ยังป่วยอยู่มากอาการท้องอืดเป็นพิเศษแล้วก็เป็นการเคลียร์เดินไม่คยไหวตาลายมองอะไรไม่ค่อเห็นก็ต้องขอภยัยบรรดาเจ้าพนักงบริษัทวันนี้ก็ยังมาคุยกันถึงเรื่อง ของพระพรหมมาบอกเวลาตายแต่ความจึงพระพรหมบอกเวลาตายนั้นผ่านไปแล้ว <c oughs> ก็มาพูดถึ ง, <c oughs> ถงต้นเหตุและปลายเหตุหลังจากที่พระพรหมบอกเวลาตายผ่านไปวันรุ่งขึ้นมาคือวันที่ยี่สบกมวันวานนี้ <c oughs> คุณหมอสุธรรมแห่งโรงพยาบาลแม่เด็กที่วัดท่าสง ก็ไปตรวจโรคตัวเครื่องระบบหัวใจแล้วก็ตรวจทั้งรับการฟังตรวจื่องความดันทุกอย่างก็บอกว่าทุกอย่างดีหมดไม่มีอะไรขึ้นไหวแล้วก็บอกว่าผมขอเลือดหลงพ่อหน่อยครับจะไปตรวจเลือดอีกมาตอนเช้าวันนี้คุณหมอทุษธรรว่านําผลการตรวจเลือดมาให้ ก็ปรากฏว่าทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียดีหมดและเรื่องความบวมจะหาว่าเป็นเรื่องหัวไตก็ไม่ใช่หัวใจก็ไม่มีแต่ว่ามีข้อจุดน่าคิดจย่งหนึ่งนั่นคือว่าไขมันมากและโปรตีนมากทั้งสองอย่างนี้มากเกินไปก็หมอท่านทำยังก็านทราบบอกว่าเป็นอนุภาพร่างกายบำรุงได้ดีมาก เมื่อหมอทักอย่างนั้นบรรดาเจ้าพนักงบริษัทก็ต้องเชื่ยหมอเพราะว่าเวลานี้มันอ้วนมากแล้วก็ยืดหยัดมากลุกไม่ค่อยจะไหวถ้านนั่งพับเพียดนั่งกระทำใจกับพื้นก็ไม่มีทางจะลุกโดยเฉพาะอย่างนี้อย่างนั่ ง, งพับเพียร์ไม่ไหวก็ปวดขาแล้วก็ถ้านั่งกับก็อีจ กอนจะลุกก็ต้องมีคนพยองลุกเวลาเดินก็ต้องมีคนประคับประคองก็แสดงว่าความตายมาอยู่ใกล้แค่เส้นผมเดียวจึงแม้จะห่างความตายมานิดหนึ่งเวลาตายจริงๆที่ระกาลบอกก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ยังไม่ห่างมากถ้าท่าทางของร่างกายจริงๆมันบอกว่าใกล้จะตายเต็มที ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแรงหมดไปตาพร่าหูพร่าแล้วก็แรงไม่มีเวลารับแขกก็มีต่คิวกินวันนี้ก็มีต่คิวกินที่เท้าเวลากราบแขกอยู่ ท, ทั้งทั้งที่ไม่หนาวก็ความจริงก็อายุไขก็มากแล้วนี่นะคงก็น่าจะตายที่ว่าพูดถึงตอนเย็นเมื่อวานนี้ อาการที่ป่วยจริงๆบรรดาท่านพุทธบริ ษ, ษัทที่มันบวมที่นั่นบวมที่นี่ปวดที่น่นปวดที่นี่มีเรื่องเรื่องเดียวคืออุจาระถ้าอุจาระเป็นขั้งมันทับประสาท ส, ส่วนไหนส่วนนั้นก็บวมส่วนนั้นก็ปวดอันนี้พระพุทธเจ้าฉันบอกนะในเมื่ออ่านถึงพระพุทธเจ้าจะหาอุตริมรสสามก็ตามใจเธอะ เวลานี้คนรู้จักพระพุทธเจ้า ม, มากแล้วถ้าใครสงสัยว่าถามพวกที่ปฝึกจะหาว่าเป็นการสะกดจิตหรือว่าเป็นภาพรอยภาพอะไรก็ตามภาพทางก็ตามเถอะถ้าสงสัยก็ไปถามคนคนพวกนั่นคือธรม ร, ธรมยุตนีกายธรรมยุทธ์ท่านหนึ่งคือเจ้าคุณราชเกวีพระสมณรัตองค์นั้นท่านรู้จริง ไปถามท่านดูที่ว่าพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วนะศูนย์ไป่ได้เปล่าคือพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วศูนย์ไป่ได้เปล่าอย่างพวกนักอะไรน้อพิสูจน์คือนักพิสูรรจน์อรตะมาเอาเฉพาะคนเที่มาพูดอรตมาคขาบอกว่าเราจะเชื่อได้เฉพาะสิ่งที่เพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวรรค์นรกนี่เราพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ควรเชื่อ เขาหันมาถามอาตมาว่าท่านเชื่อไหมอาตมาก็บอกว่าเชื่อวันตกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงเขาถามว่าเชื่อเพราะอะไรอาตมาก็เลยบอกว่าเพราะพิสูจน์ได้เขาก็ถามอามอาตมาก็ถามว่าเขาพิสูจน์ได้อะไรจึงไม่รู้เขาบอกว่าอาศัยพิสูจน์ด้วยเหตุต่างๆ แล้วเครื่องมือต่างๆวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุต่างๆเอๆ้อังเหตุต่างๆมาประกอบด้วยขอภายในญาติโ ย, ยมนะเสียงไม่ชัดไปยังป่วยมาก <โ or S 1> ก็เลยบอกว่าเครื่องมือที่คุณใช้มันคุณทางกันสำหรับสวรรค์นรกมันมีความถี่สูงจัดเครื่องมือที่คุณใช้มีความถี่น้อยไป มองสิ่งต่างๆได้เป็นหมื่นเท่าสองหมื่นเท่าห้าหมื่นเท่าแสนเท่าสามารถจะมองได้แต่ว่าไม่สามารถจะมองสวรรค์นรกได้เพราะมีความถี่ยิ่งกว่านั้นก็ว่าถ้าคุณจะพิสู่จริงๆคุณต้องใช้ทางใจเพราะสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีเป็นนามธรรมถ้าคุณจะสงสัยว่าทำไมจึงเป็นนามธรรมทำไมจึงมีรูป ก็ขอตั ว, วรูปในน้ำในน้ำนั่นแหละมีรูปของมันเองเป็นตัวเป็นตนของมันเองด้วความหยาบความละเอียดมันต่างกันกายมนุษย์ลายสัตว์หยาบมากสามารถมองเห็นได้ตอนเนื้อกายเปรตกายผีหยาบก็่ากายเทวดากายสัตว์นรกก็ดีกายเปรตกายผีก็ดีหยาบก็แลก็หยาบกว่ากายเทวดา แต่เฉพาอย่างยิ่งกายที่หยาบๆยาบอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์ใช้ตานเนื้อก็ยังไม่สามารถจะมองเห็นได้ถ้าผีไม่ต้องการให้เห็นที่บรรดาผีทั้งหลายมีกายอย่างกว่าเทวดาถ้าเทวดาไม่ต้องการให้ผีเห็นผีก็ไม่สามารถจะเห็นได้พรหมมีร่างกายละเอียดกว่าเทวดาถ้าพรหมไม่ต้องการเทวดาเห็นเทวด า, าก็เห็ไม่ได้นิพพานละเอียดอย่างยิ่ง ท่านทันิพานจะไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการให้ผมเห็นเพราว่าไม่สามารถเห็นได้เรื่องความว่าคุณใช้เครื่องมือไม่พอดีกับสิ่งที่คนต้องการจะเห็นมันก็ไม่เห็นจะไปโทษว่าฉะนั้นไม่มีทีนี้ไม่มีไม่ได้เล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะ ข, อ, ขอผ่านไปก้าถึงตอนเย็นเมื่อวานนี้ ก็บอกว่าญาติยอมแล้วบอกว่าไอ้การทั้งหมดจริงๆของโรคมันอยู่ที่จาระอย่างเดียวมันเกาะตัวมาตั้งแต่พศ .2555 25. เมื่อปีพศ2 5 2 5ไปสงเคราะห์คุณยาก จ, จนในถิ่นธุรกันดานทั้งแม่ของศรนและเชียงราย <c oughs> ในตอนนั้นกลับมาก็มาพักที่สถานีวิทยุฐานากาศที่เชียงราย แล้วกลับไปทำาา ก, การพระเจดีพระธาตุบนดอยตงุงขั้นเมื่อไปถึงดอยตุงและลงมาก็เป็นไข้หลังนั้นจากกำวัดมาวัดมันก็ไม่ท่ายพรจาระพระุจาระประเภทนั้นมันก็เกาะตัวเป็นกําแพงกัน้นเอาสิ่งที่เน่าไว้ข้างในไอ้พระธเดาทั้งหลายก็โดดความเน่ามาเรี้ยงวาสัชทำมาให้วิสัชมึน ถ้าต่อมามันก็ไม่ถ่ายได้มาถ้าไม่ฉันยาถ่ายบางทีบางทีฉันยาถ่ายที่เป็นของแพทย์แผนปัจจุบันมันก็ออกแต่น้ำเนื้อไม่ค่อยจะออกน้ำออกห้าเนื้อออกหนึ่งอนนี้ต่อมาก็ต้องล้างท้องระยะแรกๆล้างท้องมันก็ไม่ยอมออกออกแต่น้ำที่ล้างข้าไปไม่แข็งจัดมันเกิดทุกข์ทรมานมาก ภายหลังต่อมาปีนี้เองเห็นว่าเป็นก่อนจะเป็นเดือนตุลาทื่งไงไม่ทราบควรจะเป็นเดือนตุลาคุณยมเหลี่ยมที่จังหวัดอุทรธุมธานีอขอโทษตัวนนทบุรีนำยาสมุนไพรามาให้หนึ่งขนานใช้เข้าไปแล้วรู้สึกว่ายาสมุนไพรขนาด น, นี้สามารถตะกุย ดานอุจาระที่เป็นดานออกมาได้เป็นดานมากเหลือเกิน แ, แข็งมากแต่ว่าไม่สามารถจะขับถ่าย ม, มาได้ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่หมอวิเชษที่โรงบัลยุติยาให้มากับหมอจรุนให้ยามาแล้วก็บฒนะให้ยามาคือป่ายาสามหมอเนี่ผสมกันกินเข้าไปยาเข้สามหมอเก่งในการขับน้ํา ยาที่ยมเหลี่ยมให้มาเป็นเก่งเท่ากันตะกุยเรว่าตะกุยแล้วกันนถากก็ได้อุจาระที่แข็งตัว<ม>ก็ออกมาเป็นก้อนๆ อ, อุจาระนิ่มๆเขรู้สึกดีใจต่อไปคุณสามารถไม่ทราบดานในคุณอะไรคุณสามารถติดทองพระก็อะไรกันมีอาชีพชอบติดทรงติด ท, ทองพระทราคำข้าว เคือปิดทองพระมากใหม่คนเขชอบไปจ้างให้ปิดราคาก็ไม่แพงถ้าไม่ทราบราคาเท่าไหร่ก็นำยาขนาดนี้มาถาวายเหมือนกันเมื่อยาคนยุมเลี่ยมหมดก็กินยายองส า, าาสามารถคนสามารถก็สามารถถ่ายออกมาได้ถ่ายออกมาได้ดีในตอนนั้นเลหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ได้ยาพระประทานมาอีกอีตอนนี้กินข้าวใหญ่ เพียแค่สี่ห้าวันมันอ้วนเป็นช้างน่าจะบอกว่าช้างท้องแก่ไม่ใช่ช้างธรรมดาหลังจากนั้นเป็นต้นมาพราะร่างกายทำท่าจะดีเจ้าไข่เข้ามาตัดชากไข่ามาที่รดอุจาระหยุดทุกทีเมื่อไข่เข้ามาตัดฉากแล้วอุจาระก็ไม่ถ่ายก่อนเข้าไปสอยสายลมสามวัน อาการไข้ติากดขึ้นก็ไม่ทราบว่าเป็นอาการของไข้มันมุนเฉยๆมันมุนมันจะปวดจะเสียดจะเสียที่นอนเอาสะดุ้งที่นี่มันก็ไม่มีมันมุนเฉยๆตาลายก็ไม่ทราบว่าเป็นไข่หลังจากนั้นแล้วก็เข้าซอยสายลมวันที่จะขึ้นรถเข้าซอยใสาลมก็ลองฉันยาแก้ไข้ดูปรากรดมันบรรเทาลงบ้าง ยังไม่ราบว่าเจ้านี่คือใข้แต่พอเข้าไปถึงสายซอยสยหลงก็ต้องนั่งและก็ต้องพูดมากการนั่งกับพูดในบรรดาท่านพุทธริสัท์เป็นเหตุให้อุจาระไม่ถ่ายเป็นปกติอยู่แล้วการนั่งรดยทางไกลกไกลกันถ้าอย่างนั่งไปเชียงใหม่นั่งไปกรุงเทพจมันก็จะช่งักประช่วคราว นี้ต้องไปทำงานหนักคือพูดทั้งกลางวันพูดทั้งกลางคืนแล้วก็ไปเดินไปไหนการถาวจาระก็ไม่เป็นเวลาตามปกติที่มันเป็นจะต้องกั้นไว้จริงกว่าจะถึงเวลานั้นเวลานี้ไอการกัรจาระปัสสาวะนีนหมอสมศักดิ์เคยบอกว่ามันก็เป็นโทษจะต้องก็เป็นจริงๆ จ, งจึงปุบ เป็นน้ำบาการสอนก็มาถ่ายเข้านี่เกือบจะชีวิตมาไม่รอดจะมีใครว่าหรือเปล่าไม่ทราบที่จะทราบเรื่องเห็นคนที่มีความฉลาดอย่างนี้คนหนึ่งคือด็เตอร์ญญานุตาไรเพื่อเห็นเข้าแล้วพอเสร็จจะรับสังฆทานเึอก็ไล่ขึ้นนี่คนนี้เป็นคนรู้จริงๆฉลาดจริงๆถ้าท่านผู้ตัวสัตว์ชายหญิงทั้งหมดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบก็ป่ย มันป่วยหนักเครียดเกือบจะชีวิตไม่รอดถ้าถามว่าท่านว่าป่วยทำไมจึงไปอยากได้สตังหรือก็ต้องขอแต่ว่าการไปไม่มีราคาไม่เคยมีใครบอกว่าจะให้เท่านั้นให้ท่านี้แต่ไปเพราะตามความต้องการขององค์สมเด็จพระจินทร์สีคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้ไปก็ไป ให้สอนก็สอนงานวิญานี้ทำจากเพราะเวลาคือให้สอนก็ให้แล้วก็สอนก็มาฐานก็รับแขกนอกจากนั้นพระตังงวัดก็ช่วยกันแบ่งไปหมดงานต่างๆไม่ได้ทำพอกลับมาถึงวัดบรรดาเทพพุดบริษัทตะวันลุกขึ้นท้องถ่ายเจดครั้งไม่ถ่ายปกติมันถ่ายโจ๊กนำห้าเนื้อหนึ่ง ใก้ครั้งก่อนจะลงรับแขกจากหลังจากเที่ยงแล้วพอถึงเวลาบ่ายโมงถ่ายสามครั้งตาลายเดินตัวโคงใกล้จะล้มแต่ว่าเห็นใจ ญ, ญาติโยมพระทวิสั ต, ตทีมาเพราะแต่และคนที่มาใช่ระยะทางไม่น้อยกว่าหนึ่งรอยกิโลถ้าไปกลับอย่างใกล้นะถ้าอย่างไกลๆก็ยังสุขโขทัยบ้างเพชรบูรณ์บ้างบุรีรัมบ้าง นครนนบรีมาบ้างเชียงใหม่บ้างแล้วก็ไกลกว่านั้นก็เยอะแต่ระยะทางห้าสิบกิโถือว่าเป็นคนที่ใกล้ที่สุดถ้าท่านก็มาก็มากม า, กมากเป็นร้อยเฉพาะรถปัากก็สี่ห้าคันรถได้ยี่สิบคันกว่ารถตู้บ้างรถวิกอัพบ้างทางั้งบังคาทั้งหมดรถเก๋งด้วยอีกยี่สิบคันกว่า ยังไงก็ตามคนจะมากหรือคนจะน้อยก็ตามถ้าเป็นวันรับแขกที่เวลารับแขกท่านลงไหวก็ต้องลงเห็นใจญ า, ยยายติโยมพัตบริษัทเพราะอะไรเพราท่านตั้งใจมาแล้วสรรเสริญสละเวลเวลามาแล้ว ส, สละการงานมาแล้วบางครั้ต้องทิ้งอาชีพบางอย่างถ้าไม่มาท่านไม่ทํางานท่านยังพักผ่อนเป็นสุขท่านธรรมุสาวมาการเยริญศไทยก็ต้องทำ แล้วว่าบรรดาท่าพุทธวิสัตถนไหลปัญญามันสานลายตัวไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับแขกนึกไม่ออกเพราะความเพลียเพราะการวันไหวเขาจิตใจต่อมาเมื่อวันที่สิบหกตอนล้างท้องยังไงก็ต้องล้างท้องกันแน่เพราะอืดเต็มทีพอล้างท้องเข้าไปปรากฏว่าเมื่อก้อนใหญ่ที่บางหน้ามันออกมา ไอ้เจ้าจุดเน่าๆมันก็ไหลตามมาพูดระยะยาวมากคือส่วนที่ถูกปกปิดไว้ตั้งสิบปีสองพันห้ารอยี่สิบห้ามันอยู่ภายในที่มันเน่ามันก็ไหลมามากมายล่าเกินก็ดีใจเคียงคราวนี้คิดว่าไอ้ความเน่ามันหมดไปแล้วก็หายโรคสักทีต่อมามาวันนี้บันดาท่านพุทบริษัท ล, ล้างทองซ้ำเพื่อไล่ให้หมดพ่อนนอนลงไปเขาล้างท้องปรากฏว่าท่านยากับคณะของท่านมาท่านยากมาบอกว่าคุณไอตัวเน่าๆในท้องนั้นยังไม่หมดนะบางยังมีอุจาระก้อนที่มีความแข็งมากปกคุมมไว้เบื้องบนอีกส่วนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยก็ให้โทษ คุณจะหลงคิดว่ามันหมดก็เป็นความจริงตามนั้นล้างครั้งแรกมาน้ําหมดโถแล้วไปนั่งออมาทําด้านน้ำไม่จะไม่ออกต่อมาน้ําออกอีกรุ่นหนึ่งต่อไปเจ้าเนื้อก้อนแข็งแข็งมันหลุดมาเป็นก้อนก้อก้อนย่อมย่อย ม, มกระทบราไส้นิดเจ็บแสดงว่ามันแข็งมากแล้วก็ออกไม่มากนักแสดงว่ามันยังปกปิดไอตัวเน่าอยู่ข้างใน นี่เข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นแข็งแข็งมันจะถูกทำลายลงมาบ้างและมีส่วนบางส่ว น, เ ป, นเป็นช่องอยู่ที่ไปเหตุให้เกิดแก๊แต่วางที่พูดเนี่ยแก๊สหลักมากท้องอืดมันก็ช่างท้องแก่ก็ลงความว่าร่างกายยังเอาดีไม่ได้ถ้าถามว่าทำไมจึงพูดก็มอกก็ต้องพูดไม่พูดแล้วมันลืม นี่จะได้กับคนอะคิดว่ามีความสุขถ้าความสุขใจนั้นมีจริงข้อใจนั้เป็นสุขจริงถ้าใจไม่เป็นสุขก็ขพูดขยา่าโยมไม่ได้อาการป่วยอย่างนี้ไม่ใช่อาการของการพูดได้สมมติว่าถ้าเวลาปกติตาที่เคยผ่านมาในการก่อนถ้าอาการอย่างนี้ไม่คุยกับใครแล้วไม่เดินไปไหนได้านนอนสม ถามว่าเวลานี้แก่แล้วทํามต้ทําได้ก็บอกว่าถ้าเดินน่าเดินไม่ไหวแต่ที่ทําได้เพราะกาลังใจที่มีพระพุทธเจ้าให้กําลังใจถ้าจะถามว่าท่านใา้กำลังใจตอนไหนก็ตอบว่าท่านให้กลังใจตอนที่บรรดาตอนที่จ่านบอกว่าที่ฉันต้องการให้เธออยู่เธอต้องการเดินสอนกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะสอนกรรมฐานถ้ามีความรู้สึกอย่างไรให้พูดตามนั้นไม่ว่าเวลาที่แนะนำกรรมฐานทุกคราวที่ซอยสายลมเวลาเทศก็ตามวันนี้คิดว่าจะไปเทศเรื่องนี้จะพูดอย่างนั้นเวลาผู้คนจริงๆเป็นคนเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้นและยับยั้งไม่ได้ต้องพูดตามนั้น เื่อพูดไปแล้วฟังบันทึกบันทึกเสียงที่เขาเสียงบันทึกมาให้ก็ปรากฏว่ามันดีกว่าที่เราคิดก็เป็นว่าเวลาพูดองค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าต้องการใช้เป็นสะพานเพียงแค่เป็นปากกระบอกเสียงเท่านั้นเราจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงนี้ก็ไม่แน่นอนนักบังคยดีอยู่ในห้องแฮบๆเขาลงไปแนะนําธรรมะในเทศโดยสอนคำประฐานเสียงใสายแจ๋ว ก็เป็นว่าเขากับมาใหม่เสียงแหบใหม่อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าต้องเป็นเสียงพระท่านช่วยในเมื่อมีเสียงพระท่านช่วยก็ทําได้และโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านบอกว่าคนอีกเจ็ดแสนคนเสร จ, จะได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ก็ไม่ได้หมายความอาตมาเป็นคนสอนโดยเฉพาะไปเสียงงั้น อย่าลืมว่าพระที่ดีๆในประเทศไทยยังมีอีกหลายองค์ควรจะบอกว่ามีอีกหลายสิบองแต่ว่าพระดีจริงๆคือพระอาจาน์ไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทรานูุขุไกยวัตรโกรก็เบาหน่อยเพราะท่านไม่เจยรู้อะไรนักรู้แค่ยันิ่ัทานนรุนแน่แต่ความเป็นทิพคนท่านไม่มี ถ้าตั้งแต่ตีวิโชคือวิชาสางเพืไปอันนี้ต้องระวังตัวถ้าไปพูดในสิ่งที่ตัวรู้แต่เขาไม่รู้เขาจะหาว่าบ้าอย่างตัวอย่างจ้นชายคุณราชเกวีว่าสมณัตอันนี้ท่านประธานพุทธภูมิความจริงยังไม่เคยเจหน้ากันเลยเนะี่ยแต่ก็มีจิตใ จ, จ ย, ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันอตาตมาก็ยอมรับนับถือท่านท่านยอมรับนับถือถอาตมา ต่างคนต่างฝากข่าวไปหากันครบกันแค่ข่าวถึงันาดนั้นก็ดีแต่ว่าขา่าวของแท้กับข่าวจตมามันตรงกันความรู้สึกตรงกันถ้าหาว่าบ้าก็บ้าเสมอกันถ้าว่าดีก็ดีเสมอกันถ้าคุณได้กระบกีการปัาถนาพุทธภูมิการปรารถนาพุทธภูมิไม่ใช่พระรานแต่ว่าอย่าลืมนะ การปรัชนาพระตภูนในปฏิบัติจริงๆมันต้องครบทุกอย่างเพราะปรัชนาเพื่อความเป็นครูทั้งหลักสุดสุขวิมเวโกติวิชโยชราปิโยปิสัมมิทาปโตอันนี้ต้องรู้ทั้งหมดเพราะอะไรพระพระคอยบอกก็เป็นว่ามีคนยืนยันถ้าใครสงสัยอขาจมาพูดบอกพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบอกบอย่างนั้นพระเจ้าพูดอย่างนี้ เ้าบอกว่าพเจ้าตรงนิพพานไปได้ไมีความสูญไปถามยังคนนั้นก็บมีได้แล้วก็ไปถามคนนี้เขาปฏิบัติได้ให้ได้จริงๆกันอะไรกันที่เขาทำที่กุยยานได้ก็ดีทํำให้พิญญาได้ก็ดีอันนี้เขาตอบได้แน่นอนแต่ท้านได้เว้นไว้แต่ว่าถ้าจะไปลองดีกับเขาเขาก็จะมีความรู้สึกในเราว่าเรามีดีไม่พอเขาก็จะไม่ตอบให้ฟัง ที่แท้ว่าเราไปหาความรู้จริงๆหรือการยอมรับตัปถือเขาก็อยาพูดให้ฟังถ้าไปว่าบรรดาเจ้าพุทธวิสัชน์วันนี้ก็หลงเหลงจงเจียงมากไปแล้วแล้วก็มีความจําเป็นต้องพูดก็เป็นว่าหลังจากการตายมาแล้วในเมืองขึ้นไปที่เทวสภาที่ตอนนี้ก็เรื่องบ้ามาพูดอีก ท่านที่ไม่เชื่อก็จะหาว่าบ้าแต่ก็ไม่เป็นไรอาตมามีพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ไปควานหาพระการที่พยาโยมท่านบอกแล้วว่าดีพระการท่านกล ม, มามาในที่ประชุมท่างออกมาในเมื่อพระการท่านออกมาตอนนี้ถ้าไม่แต่งชุดชุดอะไรห่ะชุดน้ำเงินแก่ ท่านแต่งเป็นเทวดาสวยมากเพชรแหลวพระประยับเต็มตัวทั้งหมดเสื้อผ้าทั้งหมดที่เยว่างจากเพชรไม่มีจะมีแสงสว่างมากเนื่องการมีเพชรจะต้องสังเกตว่าทราบธรรมดาธรรมดาเพชรจะสว่างไม่มากถ้าเป็นพระอริยเจ้าเพชรจะสว่างขึ้นแต่ว่าท่านถ้าการท่านเป็นเพชรขนดัดอนาคามี เมื่อเป็นพิจารณานั้นเห็นก็เข้าใจว่าท่านองค์นี้เป็นพระอดีตเจ้าคืออนาคามีก็มีความดีใจเพราะอะไรเพราะเห็นพระอดีตเจ้าก็ดีใจก็ถามท่านว่าเวลาท่านไปบอกว่าจะตายแล้วมันไม่ตายทําไมล่ะถ้าทําไมจึงบอกกันเทวดามีการโกหกด้วยหรือท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่โกหกมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะเพิงรับทราบว่าใครจะเกิดหรือใครจะตาย ขยันจนหรือขยันรวยขยันตายแล้วมาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ของผมเราจะาอย่างยิ่งบัญชีที่ต้องการให้รู้จริงๆก็คือที่บัญชีพยายมบัญชีที่พยาลมนั้ยายามมนบันทึกไว้ทั้งบุญระบาศแต่บัญชีของผมบันทึกไว้แต่เฉพาะบุญอย่างเดียวขยัขึ้นมาอยู่สวรรค์ชั้นไหนผมรู้หมดก่อนที่เขาขึ้นผมรู้ แล้วใครจะตายเมื่อไรผมรู้ไอ้ที่ผมไม่บอกโดยเห็นว่าท่านไม่เกรงความตายจะได้ตั้งใจให้มันแน่วแน่ผมจึงไปบอกท่านหลังจากบอกท่านแล้วท่านก็ปกติท่านก็ยอมรับว่าพร้อมแล้วเรื่องการตายท่านบอกไม่ใช่คำว่าตายที่ให้คําว่าไปไปจากที่นี่ไปที่โน่น ต่อมาเมื่อเพิ่งกลับผง ก, กลับเวลาประมาณเกือบสองทุ่มท่านกยน็ย่อมปฏิพันธ์ผมก็เห็ น, น, ห น, ะะม น, นผมก็เห็นท่านเห็นเสถเมื่อท่านขึ้นผมก็เห็นถ้าท่านไปนอนอยู่ที่ทิพย่านนอนเอเเนิสระสบายใจผงก็เห็นทั้งเวลาตีสามท่านลงมาผมก็เห็นถามว่าเทวดาไม่หลับหรือมันดึกแล้วทั้งตีสาม ท่าเลยบอกว่าเมืองเทวาดาก็ดีเมืองพรหมก็ดีมนิพลก็ดีไม่มีกลางคืนกลางวันเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์มันสว่างตลอดเวลาเพ่าะสามเมืองนี้เขาไม่มีการเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องทํางานทำกายงานก็มีทางใจอย่างเดียวนึกจะไปไหนมันก็ถึงที่นั่นนกึกอยากจะได้อะไรมันก็ปรากฏใช้ใจอย่างเดียว แต่เมืองที่ดีจริงๆก็คือเมืองนิพพานมีความสุขตลอดกาลไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผมเนี่ยสัญญตัปอย่างผมนี่เวลานี้เป็นพระอนาคามีผมไม่กลับไปเกิดอีกแล้วเขาจะต่อ น, นิพพานโดยตรง้าวานานไม่จะบอกไม่นานหรอกท่านตายแล้วไม่กี่วันผมก็ตามไปเขยถามว่าเามื่อไหร่ฉันจะตายล่ะ เาบอกบัญชีผมก็ลบซะแล้วหมดภาระหน้าที่ของผมตอนนี้ไปเป็นหน้าที่พระเจ้าเท่านั้นโดยเฉพาะก็เวลามันถึงเวลาจะตายยริงพระพุทธเจ้าเสด็จไปก่อนพร้มก็เทวดาไปหมดเจ้าหน้าที่จะแบกรถจะหามรถจะเข็นรถทิพมันก็ไม่มีมันเข้าไปไปิดชุมกันหมดเมื่อเลยก็ลดเวลาตีห้าแล้วมันก็ตายไม่ได้เอามาไม่ได้ต้องอยู่ต่อไป เลยบอกถ้าว่าแกล้งอยู่ให้เท่องอึอย่างนั้นเลยอาจารเท่องอึดมากนะบ้าอึดเรื่เสเศษเป็นไปเรื่องกฎคุกกรรมของท่านไม่เกี่ยวกับผมถาว่ากรรมอะไรว่กรรมล้อมบ้านล้อมเมืองเขายกทัพไปล้อมบ้านล้อมเมืองเขาถ้าเป็นคนเขามีความอดอยากมีโรกสัทงท้องมากถ้าท่านล้อมมากี่ร้อยครั้งแล้วเกิดชาติไหนก็เป็นนักรบชาติหนักนั้น ทังกรบไม่ค่อยแยแพ้กรบคราวไรมีแต่ความจันละนธรรมดานั่นพุทธบ ร, ริษัทรรษขอจะพูดต่อไปสัญญาบา ร, รมีราปรากฏแล้วก็ขอหยุดก่อนพิธีสองต่อไปข้อค ว, วามส่งสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีเดีบัดาธิพุทธศาสนาิฉันรันบฟังทุกท่านสวัสดี